ภูมิใจเถะครับถ้าเกิดซื้อเทปจริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเทปผีเนี่ยเงินของคุณเนี่ยเข้ากระเป๋าโจรนันั้นนะครับแล้วมันก็หดอะๆๆ <laughs> ใช่ไหมมันเสียใจครับไ <laughs> หวนะครับช่วยหน่อยครับผมไหวด้วยนคนนบ